พระนะก่อนหน้านั้นพระโพธิสัตว์พระนางวาสุมนะพระองค์บําเพ็ญบารมีแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือบําเพ็ญบารมีเช่นกับพระเวสสันดรปัญจะมหาบริจาคทั้ง5้าแต่แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากชาตินั้นก็ถือปฏิสนธิในพระคขนของพระนางสริมาเทวีในราชสกุลของพระเจ้าสุทัตณะณเมฆละนะคร เรื่องปาฏิหารก็มีนัยยะดังกล่าวที่กล่าวแล้วในวงของพระทีปังกรพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นคือพระสุมณะโพธิสัตว์เนี่ยนะเจริญวัยมาโดยลำดับอันเหล่าสตรีฝ่ายนาฏตกะเนี่ยคือหญิงฟ้อนรำขับบรรเลงจำนวนหกมื่นสามหกมืนสามพันนางเนี่ยนาะพันนางบำเรอยู่ณนะปราศาสตร์สามหลังชื่อว่าสิริวัฒนะ โสมวัฒนะและอิทธิวัฒนะก็เกี่ยวกับเรื่องชื่ออาจจะเรียกแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะถ้าเพราะในบาลีบอกว่าจันทสุจันทและวะัวะต่ังสักก็อาจจะสา ม, มารถเรียกได้หลายๆชื่อใช่ไหเ ม, มืองแปดริ้วเรียกว่าเมืองเมืองอราชเชิงเซาเนี่ยนะเมืองโคราชเรียกว่าเมืองอะไรนครราชสีมาไปกรุงเทพก็มาบางกอกเหมือนกันห เอาทำไมเรียกเท่มต่างกันทําไมอ่ะวันนี้วันนี้ก็สามารถเ ร, เรียกชื่อทั้งหลายสามารถที่จะเรียกแตกต่างกันไปซึ่งก็หมายถึงเมืองเดียวกันนั่นเองอันเหล่ายุวนารีผู้กล้าหารยุวนาเรียก็นะพวกอะไรสาววัยรุ่นทั่วไปเนี่ยนะปรนิบัติอยู่สเสวยสุขตามวิสัยก็ม า, มางงในใจไม่ทะเลาะ ก, กันมากยั่นไงนะเยอะแยะขนาดนั้นไนงะ แล้วก็สเสวยสุขเหมือนอะไรเหมือนทิพสุขเหมือนหนึ่งเทพกุมารพระโพธิสัตว์สุมาณะกุมาอ่าสุมณะโพธิสัตว์นั้นให้กำเนิดพระโอรสที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเชื่อว่าอนุ ป, ะ ม, ะปะมะอุปมะแปลว่าเปรียบเทียบใช่ไหมเครื่องเปรียบเทียบอนุปะมะไม่รู้จะเอาใครไปเปรียบในความงดงามของพระโอรสปกติเนี่ยได้ลูกชายขนาดเนี้ยบวชไม่ได้แล้วเนี่ยนะ ตอนแรกก็จะบวชเหมือนกันเพอเห็นหน้าลูกชายบวชไม่ได้แล้วปกตินะนะใครจะเลี้ยงลูกเราไง น, นนะแต่นี้พระโพธิสัตว์บอกได้เวลาบวชแล้วพนาเอา่อพระโพธิสัตว์ได้พระโอรสพนามว่าอนุปะมะนะซึ่งก็ถือว่าเหมือนกับอะไรมอบตัวแทนให้แกพระนางวัตตังสิกาเทวีกนะ็ถ้าคิดถึงพี่ก็ดูแลลูกไปก่อนก็แล้วกันอย่างเงี้ย เสร็จแล้วก็เห็นนิมิตสี่ประการนะนะคนแก่คนป่วยและคนตายในที่สุดก็เห็นนักบวชโปร่งก็เห็นนิมิตสีก็ออกพินิษฐสกรมขี่ยางขี่เรียกว่าขี่ช้างไปเที่ยวสวนเลยสวนไปบวชเลยคันนี้บวชแล้วก็ชน30โกดก็บวชตามเสด็จพระโพธิสัตว์ซึ่งผนวดอยู่ก็บอกว่าธรรมวินัยใดที่สุมณโพธิสัตว์ออกบวชธรรมวินัยนั้นไม่ธรรมดาเป็นแน่ ธรรมวินัยนั้นต้องยิ่งใหญ่ขนาดแน่เพราะว่าผู้ที่จะเป็นจักรพรรดิเนี่ยสละจักรพรรดิออกจากมือไปบวชได้แสดงว่านั้นยิ่งใหญ่จริงๆก็มีผู้บวชติดตามมากมายพระองค์อัญชน30โกรธนั้นเวทล้อมแล้วก็บำเพ็ญเพียน10บเดือน10เดือนผ่านไปจนถึงวันเดือนเพญวิสาขะวันเพญเดือนห ก, กะนะแสดงว่าวันเบือนเพญเดือนหกเนี่ยวันจนเขาเรียกว่าวันวันอะไรนะวันสําคัญของโลกเนี่ยนะ ทุกวันนี้ก็เรียกอยู่แล้วว่าวันสําคัญของโลกคือวันวิสาขาบูชาเนี่ยเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะตอนเช้าวันเพ็ญเดือนวิสาขาวันเพ็ญเดือน6เนี่ยพระองค์ก็เสวยเข้ามาทุปายาตอันมีทิโอชะทิพที่เทวดาใส่ที่นางอนุปมาธิดาของอนุปมาเศษฐีนะะณะอนุปมะนครกใครว่าเรียกชื่อตามบ้านตามเมืองอะนะลูกสาวคนดังก็เรียกชื่อตามบ้านตามเมือง นางถวายแล้วพระองค์ก็สเสวยนะสเสวยข้าวมาทุปาญาติตอนกลางวันก็ยับยั้งพักอยู่ณสารวันป่าสาระที่น่ารื่นรมพระองค์ก็พระถามว่าพระองค์ทำอะไรตั้งทั้งวันเลยนะฉันเสร็จทำอะไรทั้งวันจนถึงเย็นๆนั่นแหละจึงจะไปที่ต้นโพเนี่ยทำอะไรบอกเข้าสมาบัตรออกสมาบัติลําดับสมาบัติเป็นอย่างดีคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์ไป ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะโง่งเหมือนเราอะไรเงี้แหละคล้ายๆแบบนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วท่านก็เดินไปนั่งที่โคนต้นโพแล้วท่านก็บรลุเออทําไมเราก็ไปที่ต้นโพกันเยอะแยะเห็นมีใครมาบรรลุกลับมาเลยอย่างนั้นอนะ่ะคือคือจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยพระองค์คิดอะไรมากมายนะโดยเฉพาะ6ปีนั้นอนะ่ะหรือพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ก็เหมือนกัน10เดือนนั้นอนะ่ะท่านใคร้ครวญอะไรมากมายมหาศาลท่านรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยและช่วงกลางวันหลังที่สเสวยข้าวมัทู ป, ปายาเสร็จพระองค์ก็ สเสวยเข้ามาเอ่อเข้าพระสมาบัติออกพระสมาบัตินั่นแหละเออขออภัยเข้าสมาบัติโดยเฉพาะฌานสมาบัตินะไม่ใช่พระสมาบัติพระ อ, องค์ก็ยับยั้งอยู่ทั้งวันตอนเย็นพระ อ, องค์ก็รับญ้าตแปดกรรมที่อนุปมาชีวกถวายเสด็จเข้าไปยังโรพพฤกชวต้นนาคะต้นนาค ะ, ต, นนาคะต้นประเสริฐนะต้นเจริญอะหรือว่าต้นกากะทิงนั่นเองทรงทําประทักศิณเขาเรียกว่าเดินเวียนขวา ตนโพอยู่ข้างขวามือแล้กวก็เดินเวียนขวานะก็สิ่งใดที่อยู่ขวามือของเราสิ่งนั้นเราจะเคารพมากพระองค์ก็เดินเวียนขวาทรงเอาหญ้า8ปดกำเนี่ยนะมาปูเป็นต้นสัตเป็นสัตสันทัดเนี่ยนะสันทัดสันทัดก็คือภาพ ท, ที่ที่นั่งนั่นเองเอ่อถ้าเราสังไปที่ที่แถวแถวบริเวณที่ตรัสรู้นะก็จะเห็นต้นไม้ใ ต้นเออคือต้นแบบต้นหญ้านะถ้าเอามาปูเหมือนขนแปรงจริงๆเลยนะอย่างที่ท่านว่ า, าจริงนี่พระองค์ก็ประทับนั่งแล้วที่ปูเนี่ในกว้างประมาณ3ามอบพระองค์ประทับนั่งสมาคัดสมาธิเนือสันทัดหญ้านั้นต่อจากนั้นเนี่ยนะยามพลบค่ําพระองค์ก็กําจัดกองกําลังแห่งมารโดยอ้างทานาที่ทำมมวิทินาชิตวามุนินโทก็อ้างเลย ทานเป็นต้นเนี่ยนะอ้างบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นนั่นเองอ น, นะปะปฐมมยามพระองค์ก็ระลึกชาติได้มัชิมยามพระองค์ก็รู้สัตว์เกิดสัตตายปัจฉิมยามพิจารณาอริยสัตว์นะจนรุ่งอรุณพระองค์ก็แทงตลอดพระสัพพัญญุตยาน เปล่งพระอุทานว่าอเนกชาติสั่งสารังสันทาวิสังอ น, นิพิสังเนี่ยนะคล้ายๆกับที่เคยกล่าวไปแล้วในเรื่องของพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภาษารียบวังเรียบเรียงเป็นคาถาว่าถัดสมัยจากถัดจากสมัยของพระมังคละพุทธเจ้าแล้วเหตุการณ์ผ่านไปหลายพันล้านปีเนี่ยนะก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่า สมณะทรงเป็นผู้นำโลกไม่มีผู้เสมอด้วยธรรมทั้งปวงไม่มีใครที่จะไปเสมอพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าสมณะด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนัทสนะสมะถาวิปัสนาเป็นต้นจะเอาคุณธรรมเหล่าใดนะไปเปรียบกับพระองค์เอารูปหรือพระองค์ก็มีรูปงามกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดจะเอา คุณธรรมทั้งหลายหรือเอาอาธิศีนอธิจิตอธิปัญญาส ม, มถาวิปั ส, สนาหรือเอาคุณธรรมคือโพธิปัจฉิยธรรมเหล่าใดไปเปรียบกับพระองค์ก็ไม่มีอีกแล้วพระองค์จึงไม่มีผู้เสมอด้วยทำทั้งปวงไม่มีผู้ใดเสมอด้วยการสร้างบารมีไม่มีผู้ใดเสมอด้วยการานะตรัสรู้เป็นต้นและพระองค์นั้นเป็นผู้นำโลกนำโลกออกจากวัตทุกข์นำโลกออกจากสังสารทุกข์นำโลกออกจากชาติชาราและ มรณะเนี่ยนะสูงสุดแห่งสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะพระองค์ก็สูงสุดด้วยนะพระพุทธคุณทั้งหลายบดว่าสัพพะธรรมเมหิอัสมโอไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เสมือนนะไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนด้วยธรรมนิสีลสมาธิปัญญาอันนี้โดยสรุปนะโดยสรุ ป, รปคุณธรรมนั้นทเทรวันนับเรียกแต่ขมวดปมออกมาก็เหลือแต่สมย่อยๆลงมาก็มีสามอย่าง ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมาณะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะยับยั้งอยู่เจสัปดาห์ณที่ใกล้โพลพฤกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะปัมังโพล่ที่ปัลลังเกก็คือสัปดาห์แรกก็ประทับนั่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะทุติยังอ น, นิมิสเจตีเนี่ยนะก็สัปดาห์ที่สองก็อ น, นิมิสเจดีนะ สัปดาห์ที่3รัตรนจังกมะก็คือรัตรนจงกรมเดินจงกรมสัปดาห์ที่4รัตรนคาระเนี่ยนะพิจารณาพระพิธรมณเรือนแก้วสัปดาห์ที่5ก็แล้วแต่ว่าพระองค์เห็นว่าที่ไหนที่เหมาะสมแต่ไม่ห่างจากสถานที่ตรัสรู้ไม่เกินสองสกิโลเนี่ยนะประมาณ 2-3 กิโลอย่างเช่นสมุจลินจริงๆนั้นห่างจากบริเวณตรงนั้นประมาณสัก2กิโลนิดๆเ น, นี่ยนะก็ประมาณสัก2กิโลบริเวณนั้น ประทับอยู่แถวนั้นประมาณ7สัปดาห์พอถึงสัปดาห์ที่8ปดก็คิดอย่างนี้นะสัปดาห์ที่8พระองค์ก็รับคําทูลอาราธนาแสดงธรรมของพรหมเพื่อแสดงธรรมนะพรหมมาอาราธนาพระองค์ก็ใคร่ครวญว่าจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนอะคือการที่จะเลือกแสดงธรรมเนี่ยนะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งโดยเฉพาะ คำว่าธรมธรมะในที่นี้คือปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจเนี่ยเป็นปัญญาที่ใหญ่เป็นปัญญาที่ละเอียดเป็นปัญญาที่ลึกเป็นปัญญาที่กว้างคนที่มีกิเลสหนาแ น, น่นมีทุลีในดวงตา ม, มากเห็นไม่ได้เจริญไม่ได้ที่จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกมันก็ยากมันก็ต้องนึกถึงว่าใครนาะมีทุลีคือกิเลสเบาบางในดวงตาปัญญาบ้างนะใครไม่ตาไม่อักเสบพอที่จะมองเห็นรูปได้บ้างอ่ะนะ พวกตาอักเสบบวมโปนเป็นต้นเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาพวกตาที่ไม่ค่อยอักเสบพอที่จะเปิดตาหน่อยนะก็เบิกเนตรก็มองเห็นอริยสัตว์ได้เลยเนี่ยนะก็มีเบิกเนตรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนไทยใช้คําว่าเบิกเนตรออกมาไม่เห็นด้วยเลยใช้คําว่าเนตรประพูชาแบบศีลังกาอย่างแยเพราะกว่าเนตรปะพูชาก็คือบ้านเราเรียกว่าเบิกเนตรนั่นแหละแปลว่าบูชาดวงตาพระพุทธเจ้า ผู้มีพระสัพพันย์อยู่ผู้มีจักสุทั้งหมีมังสะจักสุที่พระจักสุยานจักสุธรรมจักสุปัญญาจักสุพุทธจักสุเป็นต้นเนี่ยผู้มีพุทธจักสุเหล่านั้นแต่บ้านเราเรียกว่าเบิกเนตเรียกอะไรนะเบิกเนตพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าเบิกให้เราเนี่ยนะพระองค์เห็นหมดแล้วละ่ะเราเห็นอะไรเนะี่ยนะมืดบอดเนี่ยนะทีนี้ก็มีไปงานหนึ่งไปงานหนึ่งตอนนั้นยังปวดใหม่ๆเลย ไปงานก็มีพระพุทธรูปซื้อไปจากร้านองค์ใหม่ๆเลยโยมเขาบอกว่านิมนท์ท่าน เ, าเบิกเนธถวายพระพุทธเจ้าหรือก็แบบแล้วเบิกเนธให้พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้มองเห็นเหมือนกันออมาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเห็นหมดอยู่แล้วอะไรท่านก็เห็นหมดไอเรานี่สิมันบอดจะไเปเห็นยังไงแกโกรธมากเลยนะนี่ทําอย่างงี้บอกว่าสหัสสเนทโททิพะจักคงวิโสทะยีเหมือนกัน อันนี้มันคําบอกว่าสหเสเนทโทเข้ามามีผู้มีตาตั้งพันบอกพระอินเบอร์แค่นี้ฉลาดเท่าพระอินก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์เก่งกว่านั้นอีกนะแต่ว่าอย่าไปยุ่งอะไรก็เข้ามากเลยอย่าไปชวนทะเลาะกับใครเลยเนี่ยนะก็เงียบนะนั่งทํำไรก็ทําไปะนะับฟังท่านก็นี่ก็เหมือนกันพระองค์ก็จะแสดงทําให้คนที่มีทุลีในจักษุคือปัญญาเนี่ยนะ ถามว่าตัวที่จะเป็นทุลีในปัญญาเนี่ยคืออะไรก็คือนิวรณ์ทั้งหลายใครที่สงัดจากนิวรณ์พระองค์ก็จะแสดงทำให้ผู้นั้นฟังถ้าเขามีนิวรณ์พระองค์ก็จะแสดงชา ด, ดกเป็นต้นเพื่อระ ง, งับนิวรณ์นะเพื่อให้หนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเมื่อนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะปัญญาก็มีกําลังขึ้นเพราะว่าตัวที่ทําให้ปัญญาอ่อนกําลังก็คือนิวรณ์ทั้งหลาย มันก็แสดงทำให้จิตปราศจากนิวรณ์ให้จิตเบาจิตอ่อนจิตควรแกการงานพอที่จะเข้าใจอริยสัจได้พอที่จะเห็นอริยสัจได้พอที่จะมีธรรมจักสุได้พระองค์ก็แสดงธรรมพันการพิจารณาแรกๆเลยต้องเลือกดูว่าใครเนาปราศจากนิวรณ์พอที่จะมีปัญญาจักสุรู้เห็นอริยสัจ ต, ตามได้บ้าง พระองค์ก็เห็นว่าชนที่บวชกับพระองค์30โกธพระกนิตฐาาดาน้องชายต่างพระมารดาของพระองค์พระนามว่าสารณักุมารและบุตรปุโรหิตชื่อว่าภาวิตัตะมมานพเนี่ยนะก็ถือเอาน้องชายต่างมารดานี้เป็นหัวหน้าแล้วก็ลูกของปุโรหิตทั้งสองท่านเนี่ยนะทั้งสารณักุมารและภาวิตตตะมานพเนี่ยสองท่าน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอุปนิสัยสังสมมาอะไรก็สังสมมาเนี่ยหนึ่งอสงไขยแสนกับทั้งคู่นี้จะเป็นคู่อัคารส า, าวกสุดชั้นยอดของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าและตอนบวชก็บวชติดตามมาอยู่แล้วท่านก็ไปสอนท่านเหล่านี้ก่อนซึ่งของเราพระพุทธเจ้าก็ตั้งนานนะกว่าจะได้มาโปรด ท่านภาษารีบทพระโมคขาลานะใช่ไหมก็ตั้งเดือนอเดือนสอง่อะนะเดือนสองครึ่งแล้วจึงพบกับภาษาดีบรพระโมคขาลานะวันเพ็ญเดือนสา ม, มาฆาบูชานั่นแหละจึงตรัสรู้อ่ะนะตรัสรู้เป็นพระคระสาวกก็ถือว่านานอันนี้สารณกุมารกับภาวิตตตะมานกทั้งคู่นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยพระโสมนาพุทธเจ้าหลังจากรับอาราธนาจาก พรมแล้วก็ดำเร็นว่าจะแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นก่อนก็เสด็จโดยทางนภาตาฏปกติของพระพุทธเจ้าโดยมากที่จะไปแสดงธรรมจักสู่แรกนั้นโดยมากเหาะไปมีพระพุทธเจ้าของเราเดินไปเหตุผลที่เสด็จพุทธดาเนินไปเพราะเห็นอุปนิสัยของอุปกะชีวกเนี่ยนะถ้าอุปกะชีวกเนี่ยไม่เห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะ ถ้าถูกเมียต่อว่าเอาก็ไม่มาบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นก็ไปเห็นหน้าเห็นตากันไว้อย่างดีวันหลังเมียบ่นจะได้ตามไปบวชนะฮะพอได้อย่างนั้นก็เลยว่าไปให้เห็นหน้าค่าตากันไว้ก่อนเขาบอกว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะแม้แต่พบเห็นกันครั้งเดียวก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จนะฮะพระพุทธเจ้านั้นพบเห็นกับท่านผู้ใดในที่สุดก็ช่วยผู้นั้นได้สําเร็จนั้นเป็นปกติของบัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวข้องกับผู้ใด ย, ย่อมนําประโยชน์และความสุขเข้าไปให้ ผู้นั้นย้อนกลับมานะว่าพระองค์ก็เหาะไ ป, ปะไปลงที่พระราชอุทยานเมฆละพระองค์ก็ส่งพนักงานเข้าไปเฝ้ า, าพนักงานที่เฝ้าราชอุทยานก็คือพวกเจ้าหน้าที่ดูแลสวนนะ่ะนะพวกเจ้าหน้าที่ดูแลสวนก็บอกว่าไปเรียกสารนาคุมารพระกนิษภาดาของพระองค์และพาวิตะตะมานุบุตรปุโรหิต ถ้ามีบุญนะมีบุญเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านเนี่ยมีคนมาเรียกสะ ก, กิดไปบรรลุได้เอาสิถ้ามีบุญนะถ้าทําบุญไว้ดีเนี่ยแหมจะกําลังกินเลี้ยงฉลองเพลิดเพลินก็ตามมีคนมาเรียกอ่ะมานี่มานี้นหน่อยไปไหนบอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปบรรลุเป็นผ้าอรหันได้แล้วอะไรนั่นนะมันถ้ามีบุญก็มีความสุขอย่างไรแต่ถ้าหมดบุญนะโอ้เดือดร้อนมากมันก็สั่งสมบุญไว้เยอะๆเนี่ยนะมันบางทีกําลังกินเลี้ยงงานฉลองก็ยังมีคนมาแสดงทําให้บรรลุได้ อย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนใช่จะไปดูหนังฟังเพลงยังบรรลุเลยอ่ะถ้ามีบุญไว้แล้วกําลังจะไปเที่ยวงานอ่ะไปพบพระพุทธเจ้าบรรลุเลยก็มีขอให้สั่งสมบุญมาให้ดีก็พร้อมที่จะรู้เห็นอริยสัจได้จริงๆนี่ก็เหมือนการกําลังเพลดิดเพลิน อ, อยู่ในวังเลยแหละนนทหารยามทหารสวนนี่ก็ไปเรียกมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเรียกเข้าเฝ้าว่างั้นพรงอัะนนะัแล้วก็มีพวกเราอื่นที่ติดตามมาโดยเฉพาะเทวดาและบริวารเนี่ยนะ บริวารของคนเหล่านั้นของทั้ง3 37นะนะโกดแล้วก็พวกที่บวชกับพระโพธิสัตว์อีก30โกด ร, รวมเป็นนะเป็นแสนโกดนะนี่นับยังไงได้แสนโกดนี่ก็น่าจะ100ร้อยโกดใช่ไหม อ, นะอ่านนะไขอไปสิบวก30บวกไปบวกเอากันแล้วกันสรุปว่าเทวดาและมนุษย์อื่นๆเป็นอันมาก อ, าอ่านไม่จบประโยคก็ไป่างนี้แหละ อ่านภาษาไทยไม่หมดความอคือสรุปว่าพระองค์ก็ยังสัตว์แสนโกรธอย่างนี้คือบริวารของชนทั้ง30บนะบริวารเหล่านั้นะนะนามโกรธพวกที่บวชกับพระองค์อีก3 0โกรธเทวดาและมนุษย์อื่นๆ อ, อีกหลายโกรธคือบวกให้มันครบแสนโกรธก็แล้วกันให้ท่านเหล่านั้นดื่มอมะตะธรรมอมะตะเป็นชื่อของนิพานเนี่ยนะอมะตังบณีตังเนี่ยนะอมะตะเป็นชื่อของนิพาน ธรรมะดื่มก็คือสัมผัสด้วยใจเรียกว่าแทงตลอดธรรมะคืออริยสัจธรรมคือพระนิพพานด้วยการประกาศธรรมจักหมุนอริยสัจประกาศอริยสัจให้เป็นไปให้เขารู้ปริวัต3ิ3อาการ12เนี่ยนะปริวัต3ิ3าก็ 12. สัจจยานกิจยานและกตายานะนะ อาการ12ก็ว่าทุกนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาก็เป็น4แล้วใช่ไหมทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรรคควรเจริญก็บวกกันอีกเป็น8นะพระองค์ก็บอกว่าเพราะทุกทั้งหมดพรองค์กำหนดรู้เสร็จแล้วนะสมุทัยก็ละหมดแล้วนิโรธก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้วอริยมรรคก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วก็เป็น ส2เนี่ยนะสัจจยานกิจจยานและกะตายานเขาฟังจบเขาเข้า<ๆ>ใจอริยสัจ ท, ทันทีเลยเนี่ยนะบนรรลุอริยสัจพระองค์จึงตรัสว่าครั้งนั้นพระองค์ลั่นอมตะเพรีกลองคืออริยมรตอมตะคือนิพพานเนี่ยนะหมายถึงคำสอนของพระชินเจ้าอันประกอบไปด้วยองค์เก้าอันประกอบไปด้วยองค์9ปก ป, 9. ประกอบพร้อมด้วยสังคือธรรมะนะนะครเมฆละ บทว่าอมตะเพริงได้แก่เพรีเพื่อบรุออมตะหรือเพรีเพื่อบรุลุพระนิพพานนั้นคำว่ากลองหมายถึงอริยมรรคเสียงของพระองค์ที่ดังออกไปก็เหมือนกับไม้ตีอริยมรรคเของเสียงที่เปลงออกมาก็เสียงพระพุทพธพจน์ก็เหมือนกับไม้อริยมรรคก็เหมือนกับกลองผู้ใดที่เจริญอริยมรรคก็จะบรรลุพระนิพพานพระองค์ก็ประโคมหรือบรรเลงหรือว่าตีกลอง นะแต่ว่าคำว่าตีกลองไม่เหมือนกัว่าตีกลองที่ฟังแล้วก็ตรัสรู้ธรรมที่ไม่ตายอมตะเพรีคือพระพุทธวจะนะอันประกอบไปด้วยองค์9ก้าอย่างลงสู่นิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะคำสอนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสุตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกาชาตกะภูตรธรรมเวทละคําสอนเหล่านั้นทั้งหมดใจความโดยสรุปก็เป็นการประกาศอริยมรรค เพื่อแทงตลอดพระนิพพานมันคำสอนทั้งหมดอย่างลงสู่นิพพานเป็นที่สุดมีนิพพานเป็นปริโยสารเนี่ยนะบทว่าธรรมะสังฆะสมายุตังได้แก่ประกอบพร้อมด้วยสังอันประเสริฐหมายถึงกระถาว่าด้วยสัจธรรมสีในบรรดาสุดยอดของคำพูดเป็นคำพูดที่เป็นคำเนี่ยนะปกติคำคำดีๆทั้งหลายคาพูดที่ดีนั้นต้องเป็น คำจริงเนี่ยนะเป็นคําจริงและความจริงเหล่านั้นต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนบุคคลเหล่าใดทั้งสองฝ่ายเป็นคําพูดที่จริงเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วต้องมีประโยชน์แก่ตนมีประโยชน์แก่ผู้อื่นมีประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะแล้วก็เป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพุทธพจน์ของพระเจ้า ของพระพุทธเจ้าตรัสเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งอันนั้นก็คือการประกาศอริยสัจสีประการเนี่ยนะประกาศทุกสมุทัยนิโรธมักโดยนัยะต่างๆตามสมควรแก่ัธยาสัยพระสุมณะพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงบรรลุพระอภิสัมภพธิยานแลว้วใช้คำว่าอภิอภิแปลว่ายิ่งเป็นการตรัสรู้ที่เนื้อสาวก ตรัสรุ้เหนือปัจเจกกับพุทธเจ้าเรียกว่าอภิสัมโพธิญาณเนี่ยนะพระองค์ผู้นำโลกพระองค์นั้นเนี่ยเมื่อปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ปฏิญญาปฏิญญาที่ ท, ที่ที่ให้ไว้ให้ไว้กับใครว่าแบบใกล้ๆก็ให้ไว้กับพรหมว่ า, านะเราเปิดประตูอมาตะแก่ท่านแล้วผู้มีศรัทธาจงปล่อยโสดมาเถอะหรือผู้มีโสด จงปล่อยศรัทธามาเถิดเนี่ยนะเรียกว่าปฏิญญารับคำของพรหมว่าจะแสดงธรรมอันนี้ใกล้หน่อยถ้าไกลไปอีกนิดหนึ่งพระองค์รับปฏิญญาของเทวดาที่มาจากหมื่นจักรวาลมาอาราธนาว่าขอพระองค์โปรดลงสู่ขันพระพุทธมารดาเธ อ, อ น, นะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพาโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ค่ำอันนั้นพระองค์ก็รับปฏิญญาครั้งที่อ น, นะถ้าถอยหลังไปอีก ถ้าถอยหล uh ังไปอีกก so, ็น so, ับปฏิญญาตั้งแต่ปฏิญญาที่ว่าไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ที่พยากรณ์ว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเนี่ยนะเราพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราโล่งใจแล้วก็จะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราปรินิพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยถ้าตามปฏิญญาที่ให้ไว้เนี่ยนะ ที่ประกาศเอาไว้แล้วว่าจะทํากิจเหล่านี้ซึ่งพระองค์ก็ได้กระทําอย่างที่พระองค์กล่าวไว้จริงๆตั้งครั้งแรกที่ปฏิญญาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวว่า น, นะถ้าโดยธรรมดาทั่วไปก็พุทธโธโหมิ น, นะอนาคเตคาเลขอบุญกุศลอันนี้จงเป็นไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็ปฏิญญาโดยประการต่างๆในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นแล้วก็ทําดังเช่นที่พระองค์ ปฏิญญาคือกล่าวเอาไว้นั่นเองเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าดังที่ปรารถนาแล้วก็กระทำอย่างที่พระองค์ปฏิญญาทีนี้วิธีที่จะช่วยคนอื่นทำยังไงพระองค์ก็สร้างอมตนครอันประเสริฐอมตนครเราเหมือนสร้างเมืองนิพพานพูดแบบภาษาไทยเราเรียกสร้างเมืองนิพพานอันนี้เรียกอุปมานะคำพูดอุปมาเนี่ยเพื่อจะได้เข้าใจอุปไมย ไม่ใช่ว่าอุปมาอันใดอุปมาอก็อันนั้นอ่ะไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอันเดียวกันจะอุปมาอุปมยทําไมมันคือคนละอย่างนั่นแหละแต่ว่าเปรียบคําพูดที่เปรียบมันสร้างเมืองนิพพานเอาไม้จันทน์ที่ไหนมาสร้างอะนะเอาไม้เอาอิดเอาหินเอาปูนเอาทรายมันก็ไม่ใช่เมืองนิพพานนะครก็เมืองอิฐเมืองปูนเมืองหินเมืองทรายเมืองแก้วบอกว่าสร้างด้วยแก้วมันก็คือเมืองแก้วเมืองขวดมันไม่ใช่เมืองนิพพานมันเมืองนิพพานมันคนละอย่างแต่อันนี้อุปมหาอุปมา สร้างอมตะนครอันประเสริฐยิ่งนะมาดูเมืองนี้เป็นยังไงมีศีลเป็นปราการอันไพบูนถามว่าป้อมกัมเพียงรอบเมืองเนี่ยน ะ, ะเมืองที่ไม่มีการรบด้วยเครื่องบินแบ บ, แ บ, แ, บ, แ, บแบบแบบสมัยใหม่เนี่ยนะไอ้กัมเพงเมืองนี่มันคัญมากนะกัมเพงเมืองเพรนศีลเป็นเหมือนกับกัมเพงเมืองป้อม ป, ปราการโดยรอบมีสมาธิเป็นคูล้อม เมืองเมืองโบราณนี่จะต้องมีน้ําเรามีกําแพงชั้นในใช่ไหมกำแพงก่อนแล้วก็จะมีคูน้ำเนี่ยข้างๆเรียบน้ำเนี่ยเรียบเมืองที่วีตสมาธิเป็นเหมือนกับคูล้อมมีวิปัสนาเป็นประตูเป็นถวาวรประตูเมืองคือวิปัสนาญาณทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสติประทานสี่สัมปชัญญะสี่เน่ยนะเป็นบานประตูเปิดปิดนะเปิดรับสิ่งที่ควรรับเปิดเข้าสิ่งที่ควรเข้า ประดับด้วยมนดบเนี่ยนะมนดบ ก, ก็คือเมืองข้างในอ่ะนะคว่ามนดบ ก, ก็คือเช่นพวกพวกบ้านอ่ะนะบ้านเรือนที่สร้างอย่างดีเรียกมนดบอันนี้สำเร็จด้วยสมาบัติทั้งหลายเนะนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุติฌานรูปฌานอรูปฌานเป็นต้นเกลื่อนกล่นไปด้วยชนผู้ยูนเอ่อชื่อกลนคนในนั้นก็คืออะไรธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งโพธิโพธิาณ แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยนะเปรียบเหมือนว่าคนที่อยู่ณในเมืองนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนคุณธรรมทั้งหลายเช่นสติปทานคนคือสัมมาปธานอิธิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชฌงองค์มรตแต่ละคนเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคนเช่น37คนเป็นต้นเนี่ยนะที่แต่ละคนก็คือรัตนะเป็นฝักายเพื่อการตรัสรู้ทั้งหมดมีการป้องกัน ร, รัตนะคือกุศล น, นะพวกอะไรพวกพวกชนเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาป้องกัน ร, รัตนะคือกุศล อันเหล่าโจรคือกิเลส น, นิวรณ์เป็นต้นคอยปล้นสะดมเพื่อประโยชน์แก่การเปลื้องมหาชนให้พ้นจากเครื่องพันธนาการคือพบอ น, นะพระองค์ก็สร้างเมืองอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมจริงก็เป็นการเปรียบอะไรเปรียบโพธิปักขิยธรรมเปรียบสติประธานสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พระละโผชจงเปรียบคําสอนในพระไตรปิฎกนั่นแหละว่ามีเป้าหมายมีความหมายว่าอย่างไร ที่พระองค์ทำทั้งหมดก็เพื่อจะเปลื้องหรือเพื่อจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากพันธนาการคือภพเพราะภพจึงมีชาติเพราะชาติจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมณัตและอุปาญาตถ้าเขาพ้นจากพันธะพันธะ ค, คือข้อผูกพันเนี่ยนะสิ่งที่ผูกเอาไว้ตัวผูกตัวพันก็คือตันหากับอุปาทาน มันท่าตัดความผูกพันด้วยตัณหาอุปาทานด้วยการกําหนดรู้รูปกําหนดรูเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณานียะก็เรียกว่าตัดฉั้นธราค้าอาไลาอาวณัยอุปาทานขันหา้าตัดพันธะเครื่องผูกคือตัณหาและอุปาทานเนี่ยนะพบที่เป็นเหตุแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนณตและอุปาญาตก็ดับไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นทรงชนะกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดทรงสร้างนาครชื่อว่าสัทธธรรมปุระสัทธธรรมหมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะเมืองเมืองเมืองพระสัทธรรมหรือเมืองนิพพานอันประเสริฐสูงสุดบทว่าสัทธธรรมปุระวรุตตมังได้แก่สูงสุดประเสริฐสุดเป็นประธานเนี่ยนะวรุตตมะเนี่ยนะ วรุตตมะเนี่ยนะวรุตตมะนั้นนะหมายถึงสูงสุดประเสริฐแล้วก็เป็นหัวหน้าบรรดานครอันประเสริฐทั้งหลายกล่าวคือสัตธธรรมนครสัตธธรรมนครปกติคำว่าสัตธธรรมก็คือปริยสัทธธ ร, รมปฏิบัติสัตธธ ร, รมและปฏิเวสสัตธธรรมหรือธรรมของสัตว์โบรุษทั้งหลายนี่นะสร้างเมืองแห่งคำว่าเมืองของพระพุทธเจ้านั่นเองอีกอย่างหนึ่งบรรดานครอันประเสริฐที่สําเร็จด้วยสัตธธรรม สัตธรรมหมายหมายถึงนิพพานเป็นเมืองที่สูงสุดเนี่ยนะสัตธรรมคือนิพพานเนี่ยสูงสุดจึงชื่อว่าสัตธรรมะปุระวรุตมนครเป็นเมืองที่อุตตมะยอดวรประเสริฐเป็นเมืองเป็นเมืองอย่างดีเหมือนกันเป็นเมืองที่สูงสุดในบรรดาเมืองชุกชนิดมันคำว่าเมืองนี่เป็นเป็นวัยพจน์เป็นคําที่ใช้แทนนิพพานพระนิพพานนั้นที่เรียกว่านครที่เรียกว่าเมืองเนี่ยเพราะอะไร เพราะนิพานเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพระอริยะบุคคลทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเสขะและอเสขะผู้แทงตลอดสภาวะธรรมนิพานก็เลยเรียกว่านครเพราะอัตถว่าเป็นโครจรที่เที่ยวเป็นที่เที่ยวด้วยเป็นที่อยู่ด้วยของพระอริยะบุคคลนิพานเนี่ยนะถ้ามองว่าพระอริยะบุคคลเช่นกับชนนครนิพานเปรียบเหมือนกับนครเนี่ย ชนทั้งหลายโดยมากอยู่ที่ไหนก็อยู่ในเมืองอนนะชาวเมืองทั้งหลายเขาก็อยู่ในเมืองอพนะักอยู่ที่เมืองเที่ยวไปในเมืองอาศัยเมืองฉันใดพระอริยะทั้งหลายก็ฉันนั้นพระโสดาบันทั้งหลายท่านก็ถ้าท่านจะเที่ยวจะโครจรก็โครจรไปในสมถวิปัสนาและเข้าไปสู่เมืองคือนิพพาน